สายของวันที่8ธันวาคม2516ท่านพระครูกำลังสอบอารมณ์ให้อุบาสิกาทองรินโดยมีนายสมชายนั่งคอยรับใช้อยู่ห่างๆทุกครั้งที่มีการสนทนากับสตรีชนิดตัวต่อตัวท่านจะต้องให้มีบุคคลที่สอยู่ด้วยเสมอจึงเป็นที่รู้กันดีในหมู่ผู้ใกล้ชิดว่าสมภารวัดป่ามะม่วงท่านเคร่งวินัยนะัก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 ซึ่งถูกนางภิกษุณีรูปหนึ่งวางแผนล่อลวงจะให้ศึกด้วยนางสนิทเสนหาลหลงไหลในรูปโฉมของพระอานนท์ยิ่งนักหากเพราะมีการตั้งสติไว้เฉพาะหน้าระวังใจมิให้แปรปรวนท่านพระอานนท์จึงรอดพ้นจากกลลวงของภิกษุณีรูปนั้นได้ทั้งอย่างเทศนาโปรดนางให้สำนึก รู้ในผิดชอบชั่วดีอีกด้วยไงโยมมีอาการอย่างไรบ้างพองยุบชัดเจนดีไหมท่านถามอุบาสิกาวัยสี่สิบเศษซึ่งอุตสาเดินทางจากกรุงเทพมาเข้ากรรมฐานหล่อนตั้งใจมาอยู่วัดเจ็ดวันแต่ท่านให้อยู่สิบห้าวันเพราะเห็นหนอ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 เห็นท่านพระครูได้เพื่อนแล้วนายสมชายจึงลุกออกไปทำธุระของตนหลวงพ่อคะสองสามวันมานี่ดิฉันปฏิบัติไม่ค่อยได้ผลเลยคะ่ะทำไมละ่ะคิดถึงบ้านหรือไงไม่คิดถึงคะ่ะแต่มันง่วงเหงาหาวนอนตลอดเวลาเดินจงกรมก็ง่วงนั่งสมาธิก็ง่วงนั่งสปงก น้ำลายไหล ย, ยืดเลยใช่ไหมท่านถามเพราะทราบดีว่าอาการเช่นนี้เกิดจากอะไรค่ะแมหลวงพ่อพูดราวกับเคยเห็นหล่อนพูดเขินๆทั้งเคยเห็นทั้งเคยเป็นเชียวหลโยมที่มีอาการอย่างนี้เพราะถูกทีน้มิทธะนิว อ, อนครอบงำ โยมกำลังพจนมารเจ้ามารตัวนี้ชื่อทีนมิทะเป็นนิวรตัวที่ทำให้จิตหดหูเสื่องซึมเกียจคร้านง่วงเหงาหาวนอนอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะกําจัดมันได้อย่างไรครับพระบูเฮหยวถามเพราะกําลังประสบปัญหาแบบเดียวกันวิธีกําจัด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 วิริยณะทุกข ม, มัติเจติบุคคลล่วงทุกได้ด้วยความเพียรโยมจำข้อนี้ไว้ให้ดีแล้วก็เร่งปฏิบัติเข้าจะพ้นทุกได้ท่านให้กำลังใจสตรีไวกลางคนผู้หนึ่งคลานเข้ามากราบท่านพระครูแล้วพูดขึ้นว่าหลวงพี่จำฉันได้หรือเปล่า ใครจะจำแม่ครัวฝีมือเอกที่ชื่อบุญรับไม่ได้ละ่ะหายหน้าหายตาไปเลยนะวัดนี้เป็นยังไงถึงได้ไม่อยากมาท่านพระครูตอบว่าต่อขานนางบุญรับเคยมาช่วยทํากับข้าวอยู่โรงครัวหลายปีภายหลังได้โยกย้ายไปอยู่ที่พิจิตจึงหายหน้าหายตาไปไม่เป็นยังไงหรอกจ้าฉันน่ะ อยากมาทุกวันนั่นแหละแต่จนใจด้วยหนทางมันไกลไปมาก็ลำบากคิดถึงหพี่ทุกเวลานาทีเลยนางพูดพลางชำเลงไปทางอุบาสิกานุ่งขาวห่มขาวที่นั่งสงบสงเง่ยมอยู่ต่อนหน้าท่านพระครูครั้นเห็นหน้าหล่อนชัดเจนนางบุญรับให้นึกเกลียดขึ้นมาทันทีก็หน้าหล่อนช่างเหมือนเมียมใหม่ของผัวเก่านางเสนิกาไรนางบุญรับ เลิกกับผัวเก่าไปมีผัวใหม่ข้างผัวเก่าของนางก็มีเมียมใหม่เช่นกันอันที่จริงต่างคนต่างมีใหม่ก็น่าจะหายกันนางไม่น่าจะมาเกลียดชังผู้หญิงคนนี้แต่ทำไมถึงต้องเกลียดเพียงเพราะแม่นี่หน้าเหมือนนางนั่นหาเหตุผลให้ตัวเองไม่ได้เลยนั่งคอนขวับขวบโดยที่อีกฝ่ายไม่รู้ตัว ท่านพระครูนึกขมสงสารอุบาสิกาก็สงสารที่หล่อนช่างมีเจ้ากรรมนายเวรมากมายเสียจริงๆโยมมีอะไรจะถามอีกไหมถ้าไม่มีก็กลับไปปฏิบัติที่กุตติได้พรุ่งนี้อาตมาไม่อยู่จะไปงานแต่งงานหลานที่โคกสำโรงโยมมีอะไรข้องใจก็เก็บไว้ถามช่วงบ่ายก็แล้วกัน อย่าลืมว่าห้ามออกนอกบริเวณวัดโดยเด็ดขาดเอาล่ะไปได้แล้วนางทองรินกราบภิกษุทั้งสองและจึงลุกออกมานางบุญรับมองตามพลางคว้างคอนใส่หมันไส้นางขบเคี้ยวเคี้ยวฟันพูดไปหมันไส้อะไรเขาเล่า ข้าไม่เห็นเขาไปทำอะไรให้แก่สักหน่อยกับคนคุ้นเคยท่านจะใช้คำว่าข้าและแก่ก็ฉันเกรียดมันดูมันเดินเข้านั่นตูดบิดไปบิดมาน่าทุเรศจริงๆนางบุญรับไม่ฟังเสียงเอา้าไหนแก่ลงลุกขึ้นแล้วเดินออกไปสิโนนเดินไปทางโนนท่านพระครูสัง่ง นางบุญรับทำตามเดินไปได้สักสี่ห้าเมตรท่านพระครูจึงเรียกให้กลับมานั่งตามเดิมนี่แนะ่แม่บุญรับนับวิชารู้ตัวหรือเปล่าแกน่ะเดินตูดบิดหน้าเกลียดยิ่งกว่าเขาเสออีกแล้วยังจะมีหน้าไปว่าคนอื่นเขาท่านตั้งใจสอนนางบุญรับทางอ้อมหากไบนั้น หาู้ตัวไม่ก็มันเกี่ยวอะไรกับหลวงพี่ล่ะฉันจะเดินยังไงมันก็เรื่องของฉันอดีตแม่ครัวฝีมือเอกพูดงอนๆมันก็เหมือนกันนั่นแหละโยมคนนั้นเขาจะเดินยังไงมันก็เรื่องของเขาแล้วแกไปหมั่นไส้เขาทาไมเล่าก็ฉันเกลียดมันนางไม่กล้าบอกว่าผู้หญิงคนนั้น หน้าเหมือนพัญยาใหม่ของสามีเก่าแต่ท่านพระครูรู้จึงพูดขึ้นว่าข้ารู้นะว่าแกเกลียดเขาทำไมเขาน่าเหมือนเมียมใหม่ของผัวเก่าแก่ใช่ไหมละ่ะคราวนี้นางบุญรับรับเสียงอ่อยว่าถูกแล้วจ้ะแมหลวงพี่นี่แสนรู้จริงๆรงรู้ไปหมดทุกเรื่องเลยพับผ่าสิ โยมพูดกับพระกับเจ้าให้มันดีๆหน่อยเดี๋ยวจะบาปจะกรรมเปล่าๆพระบูหุหยวเตือนอย่างหวังดีนางบุญรับเลยพานเกลียดท่านไปอีกคนฉันไม่ถือสาหรอกบัวเหียวแม่คนนี้เขาทํากรรมมาอย่างนี้วัดจีทุตจริตท่านเน้นตรงว่าจีทุตจริตแต่ผมว่าถ้าพอจะแก้ไขได้ก็ควรจะแก้ไข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 ท่านพระครูว่าตรงๆแต่นางบุญรับไม่โกรธท่านจะดุจะว่าอย่างไรนางไม่เคยถือสาเหมือนกับที่ท่านไม่ถือสานางสมัยที่มาช่วยทําครัวหล่อนเที่ยวทะเลาะกับคนโน้นคนนี้ถือว่าตัวทําอาหารอร่อยเลยเที่ยวดูถูกฝีมือคนอื่นเข้าไปทั่วหลายคนจึงแอบนินทา น, นางลับหลังว่าอุตสาเข้าวัดแต่ไม่ยอมละยอมวางสักอย่างเดียว ฉันจะมาช่วยทำครัวสักเจ็ดปดวันก็คิดถึงหลวงพี่หรอกนะถึงได้มาเนี่ยนางไม่ไหวยหยอดยาหอมงั้นก็ดีแล้วจะได้ให้ไปอยู่กับโยมคนนั้นเพื่อจะหายเกลียดกันสมพารวัยห้าสิบแกล้งยัว่วโอ้ยไม่เอาหรอกเรื่องอะไรจะให้ไปอยู่กับคนที่เกลียดนางปฏิเสธอ๋อ ต้องให้อยู่กับคนที่รักใช่ไหมงั้นก็มาอยู่ที่กุติข้าเส้นเลยดีไหมเหล่าท่านประชดทำไมจะไม่รู้ว่าสมัยสาวสาวนางบุญรับหลงรักท่านอย่างกับอะไรดีถึงขนาดหายใจเป็นหลุงพี่เจริญนั่นเที่ยวแหมถ้าได้อย่างงั้นก็เจ๋อสิแทนที่จะอายนางกลับว่าไปโน่น ท่านเจ้าของกุฏิรู้สึกสังเวช ท, ที่ผู้หญิงอายุร่วมห้าสิบแล้วแต่ยังไม่รู้จักปล่อยวางเออทำพูดดีไปเถอะนรกจะกินหัวแก่โดยไม่รู้ตัวน้อยจะวอนให้ข้าเดือดร้อนแล้วไม่ละ่ะประเดี๋ยวผัวเก่าผัวใหม่แก่ได้มาช่วยกันรุมข้ารอก ฟังนางบุญรับพูดจาโต้อตอบกับท่านพระครูแล้วพระบูเหียวรู้สึกไม่ชอบหน้าผู้หญิงคนนี้เอามากๆท่านไม่รู้ตัวดอกว่ามานที่ท่านจะต้องผจญเป็นลำดับต่อไปคือพยาบาทนิวรตกลงหลวงพี่จะให้ฉันพักที่ไหนล่ะนางถามก็ไปเลือกดูเอาเองก็แล้วกันที่ไหนว่างก็พักได้ หรือจะพักที่เมนนั่นก็ได้ตอนนี้ยังว่างอยู่ท่านพูดประชดแหมหลวงพี่แช่งอิบุลรับเยแล้วไม่ล่ะฉันยังไม่ยอมตายง่ายๆหรอกต้องรอเผาคนที่ฉันเกลียดซะก่อนนางหมายถึงพระบูเฮียวและอุบาสิกาคนนั้นอ๋อนี่แกกำหนดวันตายได้เง้นสิข้าเห็นมันนักต่อนักแล้ว บุญรับเอ๋ยไอ้ที่เที่ยวแช่งคนโน้นคนนี้ตัวเองตายก่อนเข้าทุกรายแช่งอีกแล้วแม้มาคราวนี้ซวยจังถูกหลวงพี่แช่งอยู่เรื่อยนางบ่นกระปอดกระแปดชายอายุประมาณ60รูปร่างอ้วนเตีย้ยศีสะล้านเดินเข้ามาในกุฏิพนมมือ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 ในป่วนที่แจงพลางนั่งลงข้าไม่มีอยู่มียาอะไรหรอกแต่ถ้าจะให้หายเหืดหอบก็ไปเอาต้นตําแยแมวมาโคลกแล้วแช่กับน้ำสาวข้าวให้มันกินเขาว่าชะงัดนักมีคนหายมาหลายคนแล้วรู้จักไหมละ่ะต้นตําแยแมวนะ่ะที่หลังวัดก็มี รู้จักครับดีแล้วถ้าไม่รู้จักก็เอาแมวไปด้วยตัวหนึ่งเอาไปทำไมครับอา้าวก็เอาไปพิสูจน์นะสิลองถอนสักต้นให้แมวมันกินถ้าไม่ใช่ตําแยแมวแมวจะไม่กินถ้ามันกินก็แปลว่าใช่ท่านอธิบาย แล้วเอาส่วนไหนของมันมาโคลกแช่น้ำซาวข้าวครับเอาทั้งต้นเลยรากด้วยก่อนโคลกก็ล้างให้สะอาดเสียก่อนเอาให้คนไข้เดิมรับรองว่าหายแล้วไม่คันหรือครับลุงเพอะพระบูเหยวถามขึ้นชื่อว่าตำแห่มันก็ต้องคันไม่คันตำแย่ถึงจะคัน แต่ตําแยแมวไม่คันเป็นยาสมุนไพรชนิดหนึ่งท่านตอบฉันไปหาที่พักก่อนนะ้าหลวงพี่นางบุญรับกราบสามครั้งแล้วลุกออกไปไม่วายพูดเสียดสีในป่วนว่าแม่เจ้าโว้ยวันนี้มันวันอะไรวุย้ยถึงได้มาเจอพระอาทิตย์ขึ้นบนไหกระเทียมแกว่าใคร นายป่วนถามเสียงตะคอกนางบุญรับไม่ตอบก้าวฉับๆออกจากกุฏิไปนายป่วนจึงหันมาถามท่านพระครูว่าอีนี่มันเป็นใครครับหลวงพ่อปากมา้มาๆอย่างนี้ประเดี๋ยวผมต้องตกล้างน้ำเส้นเท่านั้นไม่รู้จักไอป่วนซะแล้วชายวัยหสิแสดงอาการกโกรธเกลียวแม้บ้านจะอยู่ติดวัดแต่นายป่วนก็ไม่เคยมาเข้ากรรมฐาน จึงไม่รู้จักนางบุญรับและกําหนดโกรธหนอไม่เป็นท่านพระครูจัดในป่วนไว้ในประเภทใกล้เกลือกินด่างอย่าไปถือสาแก่เลยตะป่วนเอาละกลับไปหาตําแย่แมวมาปรุงยาให้ลูกกินซะอย่าได้มีเรื่องมีราวกันในวัดเลยนึกว่าเห็นแก่ข้าเธอ ในป่วนจึงกราบปลกปลกสามครั้งแล้วลุกออกไปเดินหาต้นตำแยแมวทางหลังวัดคิดว่าถ้าเจอยายคนปากเสียก็จะด่าให้สักสองสามชุดโทษฐานที่มาวิจารณ์รูปโฉมนมพัน์ของแกเธอมีข้อข้องใจสงสัยอะไรจะถามหรือเปล่าท่านถามพระบูเหียวหลังจากที่คนอื่นๆลุกออกไปหมดแล้ว ก็มีเหมือนกันครับเรื่องถีนามิทานิวอผมเข้าใจแล้วตอนที่หลวงพ่ออธิบายให้โยมทองรินฟังแต่ที่นี้พบ ม, มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งที่จะเรียนถามหลวงพอ่อคือหมู่นี้ไม่รู้เป็นอะไรเวลาชั้นอาหารผมรู้สึกว่ามันอร่อยไปหมดแม้แต่น้าที่ดื่มลงไปก็ยังรู้สึกว่ามันอร่อยนั่นเป็นเพราะเธอติดในรถ กามชฉันทะนิวรกกำลังครอบงำเธอเพราะรถจัดเป็นกามคุณอย่างหนึ่งในห้าอย่างแบบนี้ผิดไหมครับผิดสิถ้าเป็นคนทั่วไปก็ไม่ถือว่าผิดแต่เป็นนักปฏิบัติถือว่าผิดเพราะถ้ามัวติดในรูปเสียงกลิ่นรสหรือสัมผัสการปฏิบัติ มันก็ไม่ก้าวหน้านี่มันผิดในแง่นี้แล้วจะแก้ได้อย่างไรครับก็ตั้งสติพิจรารณาซิก่อนจึงค่อยฉันพระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ว่ากายนี้เกิดขึ้นด้วยอาหารอาศัยอาหารแล้วพึงละอาหารเสียอันนี้หมายความว่าอย่างไร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 ตามมีตามได้โดยบริโภคเพียงแต่ว่าเป็นธาตุเพื่อเป็นที่ดำรงอยู่ของธาตุให้กายนี้เป็นอยู่นี่เป็นภิกษุในพระธรรมวินยัยต้องปฏิบัติอย่างนี้ไม่ใช่ไปติดในรสอาหารกล่าวโดยสรุปก็คือต้องมีโยนิโสมนสิการใช่ไหมครับถูกแล้ว โยนิโสมณสิการมีความสำคัญมากในการละนิวรณทั้งห้าขาดโยนิโสมณสิการเสร็จแล้วก็ละไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นกามาชันทะพยาบาทถีนมิทะอุทธัจกุกกุจจะหรือวิจิกิจฉาไม่ความว่านิวรณแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้น จะละไม่ได้เลยถ้าไม่มีโยนิสมนาสิการใช่หรือเปล่าครับถูกแล้วเอาเถอะเมื่อเธอปฏิบัติสูงขึ้นไปก็จะเข้าใจพระอุปชาแนะนำเนื่องจากมีประสบการณ์มาก่อนหลวงพ่อครับทำไมคนเข้าวัดถึงยังเอาดีไม่ได้ละครับอย่างโยมบุญรับนั่นหลวงพ่อบอกเข้าวัดมาหลายปี ผมก็เห็นแกยังละอะไรไม่ได้สักอย่างเดียวรู้สึกแกเที่ยวคว้างเข้าไปหมดคนเข้าวัดเข้าว่าน่าจะเป็นคนดีพระหนุม่ตมตำหนิไกายพระอยู่ในวัดแท้ๆยังเอาดีไม่ได้ก็ยังมีนี่นะบางคนบวชตั้งแต่เป็นเนนอายุพันษาตั้งห0สิบเจสยังไม่ได้เรื่อง นับประสาอะไรกับคนอย่างยายบุญรับเล่าท่านออกเสียงเล่าเป็นเล่านินทาอะไรฉันอีกล่ะนางบุญรับเข้ามาทันได้ยินชื่อตนเข้าพอดีเลยถามผ่านมาก็ดีแล้วไงได้ที่พักเป็นที่พอพระราชหฤทัยหรือ ย, ยังท่านพระครูถามประชด หากนางบุญรับก็ตอบว่าได้แล้วเพคค่ะเสด็จพี่หม่อมชั้นกำลังจะมากราบทูลให้ทรงทราบอยู่พอดีพอแล้วพอแล้วแม่บุญรับไม่ไหวท่านพระครูรีบโบกมือห้ามบุญรับเฉยๆจ้ะแหมกำลังเล่นลิเกสนุกสนุกไม่น่ามาห้ามถึงจะเป็นลิเกหลงงก็เถอะฉันจะมาบอกหลวงพี่ว่า ได้ที่พักตรงข้ามกุฏิแม่นั่นประเดี๋ยวเถอะไม่จะแกล้งซะให้สเสด็จไปเลยนางพูดอย่างหมายมัน่นขอทีขอทีแม่คุณแม่มหาจำเริญคนเขาจะมาสร้างบุญสร้างกุศลอย่าไปเป็นมานขัดขวางเขาเลยนี่ข้าจะถือโอกาสเทศแกสักหน่อยแกน่ะมันแย่น่ะบุญรับน่ะ กรรมฐานก็เคยเข้ามาแล้วไงถึงไม่ดีขึ้นเลยแย่ยังไงหลงพี่ฉันอุตส่าห์หวังดีจะมาช่วยทำครัวหลวงพี่ยังมาว่าฉันอีกนางเถียงชดๆดยังยังไม่รู้ตัวอีกเอาเถอเอาเถอนั่งลงซะให้เรียบร้อยยืนพูดกับพระมันไม่สวย หญิงวัยเกือบห้าสิบจึงนั่งลงท่านพระครูพูดต่อไปว่าฟังให้ดีข้าจะสอนให้เอาบุญการที่แกตั้งใจมาช่วยทำครัว น, นั่นก็ดีแล้วถือว่ามาสร้างกุศลก็ในเมื่อตั้งใจมาทำบุญแล้วจะมาทำบาปเสถทําไมละ่ะฉันไปทำบาปอะไรที่ไหนนางบุญรับไม่วายเถียง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 บทท่านว่าจ้าลุงพี่ฉันก็จะพยายามแก้ไขให้เวลาฉันบ้างฉันขอตัวไปช่วยเขาทำครูแลนะกราบปลกปลกสามครั้งแล้วลุกออกไปท่านพระครูสายหน้าอย่างระอาพูดกับพระบูเหียวว่าไม่ไว้ไม่ซึมซับสิ่งดีๆเลยคนอย่างยายบุญรับนับวันก็จะมีมากขึ้น ประเภทเข้าวัดแล้วมันนั่งนินทาคนโน้นคนนี้ที่เขาว่ามือถือสากปากถือศิลนมันก็เป็นวิบากของเขาคนที่มาเข้ากรรมฐานน่าจะละกิเลสได้นะครับลุงพ่อมันก็ละได้แต่เป็นการละได้ชั่วคราวคือตอนเจริญกรรมฐานจิตเป็นสมาธิ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 ต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ละเอียดลึกซึ้งที่สำคัญที่สุดคือผู้ปฏิบัติจะต้องมีความเพียรอย่างยิ่งยวดจึงจะประสบความสำเร็จก็กิเลสตัณหามันอยู่กับเรามาตั้งนมนานหลายภพหลายชาติมีหรือที่มันจะยอมออกไปง่ายๆ ถึงต้องปฏิบัติกันขามพบขมจัดเลยใช่ไหมครับถูกแล้วแต่บางคนก็ท้อถอยใจไม่สู้เลยไม่อาจตัดออกจากสังสารวัตรไปได้ความเพียร น, นี่สำคัญมากนะบัวเหี่ยวแล้วก็ต้องเป็นความเพียรที่ถูกต้องทอี่เรียกว่าสัมมาวายามะ ถ้าเป็นมิจฉาวายามะแทนที่จะทำให้หลุดพ้นกลับทำให้ติดนั่นอยู่ในสังสารวัตรหนักเข้าไปอีกเรียกว่าการทำความเพียรก็ต้องมีโยนิโสมนสิการใช่ไหมครับถูกแล้วแหมรู้สึกว่าเธอจะเก่งขึ้นมากเทียวนะสงสัยว่าจะหลุดพ้นในชาตินี้เสียละมัง้ง พระอุปชาสัพยอกสาธุสมพรปาพูดพร้อมกับยกมือขึ้นสาธุถ้าอย่างนั้นก็กลับไปปฏิบัติที่กุตติของเธอได้อ้อพรุ่งนี้ออกตีสี่ครึ่งฉันเปลี่ยนเวลาแล้วเลื่อนออกไปอีกครึ่งชั่วโมงประเดียวจะให้สมชายไปบอกรูปอื่นๆ พระบุเฮียวกลับเป็นจังขัประดิษฐ์3ามครั้งแล้วลุกออกมาขณะเดินกลับกุฏิแทนที่จะกำหนดขวาซ้ายขวาซ้ายเหมือนเช่นเคยก็เปลี่ยนมากำหนดว่าโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการไปจนถึงที่พัก